นัทธกถาเบสันตะชาดกที่สิบทศพรคาถาพระาศาสดาเมื่อทรงอาศัยกรุงกบิลพัตราชธานีสเสด็จประทับอยู่ณ น, นิโครทารามทรงปรารกฝนโบครพัตรัดพระธรรมเทศนานี้ว่าแน่พุทธดีผู้มีรัศมีแห่งผิวพันธ์อันประเสรศิฐพุทธตี วรวันนาเพเป็นต้นความพิสดารว่าพระศาสดาทรงยังธรรมจักรอันบวรให้เป็นไปแล้วสเสด็จสู่กรุงราชครืโดยลำดับประทับอยู่ณนะกรุงราชครืดนั้นตลอดเหมันตรดูทรงมีพระอุทายีเถระเป็นมั ก, กุเทศแวดล้อมด้วยพระขีนาศพสองหมื่นองค์เสด็จจนถึงกรุงกบิลพัท เป็นการเสด็จครั้งแรกในการใดในการนั้นสากยราชทั้งหลายประชุมกันด้วยคิดว่าพวกเราจะได้เห็นสิทธัตถากุมานี้ผู้เป็นพระญาติอันประเสริฐของพวกเราเลือกหาสถานที่เป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็กําหนดกันว่าราชอุทยานของนิคโครสักยราชหน้ารื่นรมจึงทำวิธีปฏิบัต จัดแจงทุกอย่างในนิโครทารามนั้นถือของหอมดอกไม้และจุนเป็นต้นรับเสด็จทรงทารกทาริกาชาวเมืองที่ยังหนุ่มๆประดับด้วยเครื่องอลังการทั้งปวงไปก่อนแต่นั้นจึงส่งราชกุมารและราชกุมารีไปแล้วเสด็จไปเองในระหว่างราชกุมารราชกุมารีเหล่านั้น บูชาพระศาสดาด้วยดอกไม้ของหอมและจุนเป็นต้นพาเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไปสู่นิโครธารามนั่นแหลพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระขีณาศพสองหมืนองค์แวดล้อมประทับนั่งณบวรพุทธาฏที่ปูราดไว้ในนิโครธารามนั้นในการนั้นเจ้าสากยะทั้งหลายเป็นชาติถือตัว กระด้างเพราะถือตัวคิดกันว่าสิทธะกุมารนี้เด็กกว่าพวกเราเป็นน้องเป็นพาคิในเป็นบุตรเป็นนัดดาของพวกเราจึงกล่าวกับราชกุมารที่ยังหนุ่มๆเหล่านั้นว่าเธอทั้งหลายจงไหวพระผู้มีพระภาคเจ้าพวกเราจะนั่งเบื้องหลังพวกเธอเมื่อเจ้าสากยะเหล่านั้นไม่อภิวาตพระผู้มีพระภาคเจ้า ประทับนั่งกันอยู่อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอธัธยาศัยของเจ้าสากยะเหล่านั้นทรงดำริว่าพระญาติทั้งหลายไม่ไหว้เราเอาเถิดเราจะทำพระญาติเหล่านั้นให้ไหว้จึงทรงเข้าจตุถธาชานอันเป็นบาทแห่งอภิญยาจําเดิมแต่นั้นก็เสด็จขึ้นสู่อากาศเป็นดุจปโปรยและองทุรีพระบาท ลงบนเศียรของพระญาติเหล่านั้นทรงทำปาฏิหารเช่นกับยมกปาฏิหารณควงไม้คันดามพฤกในการนั้นพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชได้ทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์นั้นจึงตรัสว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในวันเมื่อพระองค์ประสูติเมื่อพระพี่เลี้ยงเชิญพระองค์เข้าไปเพื่อให้นมัสการฉดินชื่อกาลเทวละ ข้าพระองค์ก็ได้เห็นพระบาททั้งสองของพระองค์กลับไปตั้งอยู่ณศีรษะของพราหมณ์ข้าพระองค์ก็ได้ไหว้พระองค์นี้เป็นการไหว้ครั้งแรกของข้าพระองค์ในวันวับป่ามงคลแรกนาขวัญเมื่อพระองค์บรรทมณพระยี่ผู้อันมีสิริใต้ร่มเงาไม้ว่าข้าพระองค์ได้เห็นเงาไม้ว่าไม่บ่ายคล้อยไป ข้าพระองค์ก็ได้ไหว้พระบาทของพระองค์นี้เป็นการไหว้ครั้งที่สองของข้าพระองค์บัดนี้ข้าพระองค์เห็นปาฏิหาริย์อันไม่เคยเห็นมาก่อนนี้จึงได้ไหว้พระบาทของพระองค์นี้เป็นการไหว้ครั้งที่สามของข้าพระองค์ก็เมื่อพระเจ้าสุดโททนะถวายบังคมแล้วเจ้าสากยะแม่องหนึ่งที่จะสามารถไม่ถวายบังคม ดำรงนิ่งอยู่มิได้มีชนเหล่านั้นแม้ทั้งหมดได้ถวายบังคมแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้ายังพระปยุรยาทั้งหลายให้ถวายบังคมแล้วสเสด็จลงจากอากาศประทับนั่งณบวรพุทธาฏที่ปูราดไว้แล้วด้วยประการชนิเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งแล้วสมาคมพระปยุรญาธ ได้ถึงความสำเนียกแล้วทั้งหมดมีจิตแน่วแน่นั่งอยู่ลำดับนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นย่างฝนโบกขรพัดให้ตกแล้วน้ำฝนนั้นสีแดงเสียงสู้ซาไหลไปลงที่ลุ่มชนเหล่าใดผู้ต้องการให้เปียกชนเหล่านั้นก็เปียกฝนนั้นไม่ตกต้องกายของผู้ที่ไม่ต้องการให้เปียกแม้สักหยาดเดียว ชนทั้งปวงเหล่านั้นเห็นอัศจรรย์นั้นก็เกิดพิศวงภิกษุทั้งหลายพูดกันว่าโอน่าอัศจรรย์โอไม่เคยมีโออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้ามหาเมฆจึงยังฝนโบกครพัดเห็นปานนี้ให้ตกในสมาคมแห่งพระปยุรญาตทั้งหลายพระศาสดาทรงสดับดังนั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งสนทนากันถึงเรื่องอะไรเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วมีพระพุทธดำรัสว่าภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่มหาเมฆยังฝนโบกคารพัดให้ตกแม้ในการก่อนเวลาที่เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่มหาเมฆเห็นปานี้ก็ยังฝนโบกคพัดให้ตก ในญาติสมาคมเหมือนกันแล้วทรงดุษณีภาพภิกษุเหล่านั้นทูลอาราธนาจึงทรงนำอดีตนิทานมาตรัสเล่าดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายในอดีตกาลมีพระราชาพระนามว่าสีวิมหาราชครองราชสมบัติในกรุงเชตุดรแควนสีผีมีพระราชโอรสพระนามว่าสัญชัยกุมาร เมื่อสัญชัยกุมารนั้นทรงเจริญวัยพระเจ้าศรีวิมหาราชนำราชกัญญาพระนามว่าผุทสดีผู้เป็นราชธิดาของพระเจ้ามัทราชมาทรงมอบราชสมบัติแก่สันชัยราชกุมารนั้นแล้วตั้งพระนางผุทสดีเป็นอัครมเหสีต่อไปนี้เป็นบุรภพประโยค ความเพียรที่ทำในศาสนาของพระพุทธเจ้าในปางก่อนแห่งพระนางนั้นคือในที่สุดแห่งกัปที่9ก้าสิบเอ็ดแต่พัทธกัปนี้พระศาสดาพระนามว่าวิปัสสีสเสด็จอุบัติขึ้นในโลกในการนั้นพระราชาพระนามว่าพันธุมราชสเสวยราชสมบัติในพันธุมดีนครเมื่อพระวิปัสสีศาสดา ทรงอาศัยพันธุมดีนครประทับอยู่ในเขมมะมรุคทยวันการนั้นมีพระราชาองค์หนึ่งทรงส่งสุวรรมาลามีค่าหนึ่งแสนกหาปณะนะกับแก่นจันทร์อันมีค่ามากไปถวายแด่พระเจ้าพันธุมราชพระเจ้าพันธุมราชมีพระราชธิดาสององค์พระองค์มีพระราชประสงค์จะประธานบรรณาการนั้น แกพระราชธิดาทั้งสองจึงได้ประธานแก่นจัน์แกพระธิดาองค์ใหญ่ประธานสุวรรณมาลาแกพระธิดาองค์เล็กราชธิดาทั้งสองนั้นคิดว่าเราทั้งสองจะไม่นำบันนาการนี้มาใช้สอยที่สรีระของเราเราจะบูชาพระาศาสดาเท่านั้นจึงทูลพระราชาว่าข้าแต่เสด็จพ่อ หม่อมชั้นทั้งสองจกเอาแก่นจันทร์และสุวรรณมาลาบูชาพระทศพนพระเจ้าพันธุมราชทรงสดับดังนั้นก็ประทานอนุญาตว่าดีแล้วราชธิดาองค์ใหญ่บทแก่นจันทรให้ละเอียดเป็นจุนแล้วให้บรรจุไว้ในพระอบทองคําราชธิดาองค์น้อยให้ทําสุวรรณมาลาเป็นมาลาปิดสวง แล้วให้บรรจุไว้ในพระอบทองคำราชธิดาทั้งสองสเสด็จไปสู่วิหารมารุคทยวันบรรดาราชธิดาสององค์นั้นองค์ใหญ่บูชาพระพุทธสรีระซึ่งมีวั น, นะดังทองคำของพระทศพลด้วยจุนแก่นจันทร์โปรยปลายจุนแก่นจันท์ที่ยังเหลือในพระคันทกุดีได้ทำความปรารถนาว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอข้าพระองค์พึงเป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นพระองค์ในอนาคตการแล้วกล่าวคาถาว่าข้าพระพุทธเจ้าได้ทําการบูชาพระองค์ด้วยจุนแห่งแก่นจันนี้ขอให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เป็นมารดาแห่งพระพุทธเจ้าผู้เช่นพระองค์ในอนาคตการเถิดฝ่ายราชธิดาองค์เล็ก บูชาพระสรีระซึ่งมีวันละดังทองคําของพระทศพลด้วยเครื่องปิดสวงที่ทําจากสุวรรนมาลาได้ทําความปรารถนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเครื่องประดับนี้จงอย่าหายไปจากสรีระของข้าพระพุทธเจ้าจนตราบเท่าบรรลุพระอรหันต์แล้วกล่าวคาถาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าบูชาพระองค์ด้วยสุวรรณมาลาด้วยอำนาจพุทธบูชานี้ขอบุญจงบันดาลให้สุวรรณมาลามีที่สวงของข้าพระพุทธเจ้าส่วนพระบรมศาสดาก็ทรงทำอนุโมทนาการบูชาแก่ราชธิดาทั้งสองนั้นว่าก็เธอทั้งสองได้ประดิษฐานการบูชาอันใดแก่เราในพบนี้ วิบากแห่งการบูชานั้นจงสำเร็จแก่เธอทั้งสองความปรารถนาของเธอทั้งสองเป็นอย่างใดจงเป็นอย่างนั้นราชธิดาทั้งสองนั้นดำรงอยู่ตลอดพระชนมายุในที่สุดแห่งพระชนมายุเคลื่อนจากมนุษยโลกไปบังเกิดในเทวโลกในสององค์นั้นองค์ใหญ่เคลื่อนจากเทวโลกท่องเที่ยวไปยังมนุษยโลก เคลื่อนจากมนุษยโลกท่องเที่ยวไปยังเทวโลกในที่สุดแห่งกลับที่91ได้เป็นพุทธมารดามีพระนามว่ามหามายาเทวีฝ่ายราชกุมารีองเล็กก็ท่องเที่ยวอยู่อย่างนั้นในการเมื่อพระทศพลพระนามว่ากัสป ะ, สะเสด็จอุบัติขึ้นได้เกิดเป็นราชธิดาของพระราชาพระนามว่ากิกราช พระนางเป็นราชกุมาริกาพระนามว่าอุรัชธาเพราะพวงเครื่องปิดสวงราวกว่าทำแล้วด้วยจิตกรรมเกิดแล้วที่พระสวงอันตกแต่งแล้วในการเมื่อราชกุมาริกามีชนมพันสา16ปีได้สดับพัฒ ต, ตานุโมธนาแห่งพระตถาคตเจ้าก็ตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลการต่อมา ในวันที่พระชนกทรงสดับพัตตานุโมธนาแล้วทรงได้บรลุโสดาปฏิผลพระนางได้บรลุพระอรหัดขันวดแล้วปรินิพานพระเจ้ากิกิราชมีพระราชธิดาอื่นอีกเจ็ดองค์พระนามของราชธิดาเหล่านั้นคือพระนางสมมณีพระนางสมณคุตตาพระนางภิกษุณีพระนางภิกขุทาสิกา พระนางธรรมมาพระนางสุธรรมมาและพระนางสังคธาสีเป็นที่เจ็ดราชทิดาทั้งเจ็ดเหล่านั้นในพุทธุบาทการนี้มีนามปรากฏคือนางเคมานางอุบลวนานางปตาจาราพระนางโคตมีนางธรรมทินนาพระนางมหามายาและนางวิสาขาเป็นที่เจ็ด บรรดาราชธิดาเหล่านั้นพระนางผุดสดีก็คือพระนางสุธรรมมาได้บำเพ็ญบุญมีทานเป็นต้นเป็นนางกุมาริกาชื่อผุดสดีเพราะความเป็นผู้มีสรีระดุดอันบุคคลประพรมแล้วด้วยแก่นจันแดงเกิดแล้วด้วยผลแห่งการบูชาด้วยจุนแก่นจันอันนางได้ทำแล้วแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์ต่อมาได้เกิดเป็นอัครมเหสีแห่งท้าวสักกะเทวราชครั้งนั้นเมื่อบุรพานิมิต5ประการที่เกิดขึ้นในเวลาใกล้สิ้นอายุเกิดขึ้นแล้วแก่นางผุดศรีท้ทาวสักกะเทวราชทราบความที่นางจะสิ้นอายุจึงพานางไปสู่นันทนวันอุทยานด้วยยศใหญ่ ประทับนั่งข้างที่นอนอันมีสิริด้วยพระองค์เองตรัสอย่างนี้ก่บนางผู้บันทมอยู่ณนะที่นอนอันมีสิริประดับแล้วนั้นว่าแหนนางผดษดีผู้เจริญเราให้พรสิบประการแก่เธอเธอจงรับพรสิบประการเหล่านั้นเท้าสักกะเทวราชเมื่อจะประทานพร น, นั้นได้ทรงพาสิทธิคาถาแรกในมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งประดับด้วยคาถาประมาณหนึ่งพันคาถานี้ว่าแน่พุษดีผู้มีรัศมีแห่งผิวพันธ์อันประเสริฐผู้มีอวัยวะส่วนเบื้องหน้างามเธอจงเลือกเอาพรสิทิประการในปัตถภีซึ่งเป็นที่รักแห่งหารุไทยของเธอธรรมเทศนามหาเวสันดร น, นี้ชื่อว่า เท้าสักกะเทวราชให้ตั้งขึ้นแล้วในเทวโลกด้วยประการชนิด